เด้ใหญ่ลูกขงข้าวแต่เช้าเพราะน้องสาวสามคนจะต้องไปโรงเรียนทุกคนตื่นเช้าหมดยกเว้นเด็กชายอายุสี่ขวบสามขวบและสองขวบซึ่งยังไม่ยอมตื่นเพราะไม่ต้องไปโรงเรียนและไม่มีงานอะไรต้องทำด้วยว่ายัางเล็กนะักแม่ผันสายชนกับโสภาช่วยกันปอกมะพร้าวส่วนในหมัน กับลูกสาวอีกสามคนคือสุมลสุนีและสมใจช่วยกันขนมะพร้าวที่ปอกเปลือกชั้นนอกออกแล้วนั้นไปใส่เรือซึ่งจอดอยู่ในคลองบ้านอ้อยโดยขุดเป็นลำประโดงแยกจากคลองเข้ามาประมาณสิบวาสำหรับไว้จอดเรือมะพร้าวเต็มลำเรือแล้วหนูน้อยทั้งสามก็พากันอาบน้ำแต่งตัว จากนั้นก็จะกินข้าวและไปโรงเรียนโดยเรือลำเล็กซึ่งบิดาต่อขึ้นเองสำหรับให้ลูกๆภายไปเรียนหนังสือหุงข้าวเสร็จเจ้ใหญ่ก็ตักข้าวต้มใส่ถ้วยแจกน้องๆรวมทั้งบิดามารดาอิ่มข้าวแล้วแม่ผันจึงมาดูคนเจ็บที่ยังหลับอยู่เอื้อมมือไปจับหน้าผากก็ต้องตกใจบอกสามีว่าเฮีย yeah. อติตัวร้อนจีเลยสงสัยจะไข้ขึ้นก็อีโดนซ้อมนุ่มไปทั้งตัวอย่างงั้นจะไม่ให้เป็นไข้ยังไงได้น่าสงสารอีจังแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเฮียพัญญาในมันออกวิตกเดี๋ยวก็ให้อี ก, กินยาแล้วก็กินข้าวนอนพักสามสีวันก็คงค่อยอยังชั่วแม่ผันอย่า ก, กังวลไปเลยเฮียไม่ปล่อยให้อีตายหรอกนา คืนทำอย่งงางนั้นก็เสียชื่อหมอจีนหมดนะสิแม่ผันว่าหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บร้าไปทั่วร่างปวดศีรษะรุนแรงเหมือนว่ามันจะระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆไข้ขึ้นสูงจนเจ้าตัวไม่รู้สึกรู้สมยายจา๋าช่วยผมด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าแทงผมเขาละเมอเพอ้อพกด้วยฤทธิ์ไข้ แม่ผันเอื้อมมือไปจับแขนเข้าเขยา่อาอติตื่นเถอะกินข้าวกินปลาแล้วค่อยนอนใหม่คนไข้ลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นครั้นเห็นใบหน้าแฝงด้วยแววปราณีของเจ้าของบ้านก็ใจชื้นขึ้นผมปวดหัวจังครับแม่ผันปวดราวกับจะระเบิดอดทนหน่อยนะอติประเดี๋ยวจะให้เจ้ใหญ่เข้ามาประครบ ให้นอนนิ่งๆจะได้หายเร็วๆแม่พันพูดแล้วลุกออกไปหายาตอนสายๆลุงจะเอามะพระ้าวไปแลกข้าวแล้วจะแวะบอกที่บ้านสามกระไดว่าหรือมาป่วยอยู่ที่นี่เขาจะได้มีห่วงนายมันบอกขอบพระคุณครับผมไม่รู้จะทดแทนพระคุณคุณลุงอย่างไรดีถ้าไม่ได้คุณลุงผมคงตายไปแล้ว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 ลุงถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณลุงแล้วครับผมให้สัญญาว่าจะทำอย่างที่คุณลุงสอนแต่คุณลุงครับผมปวดหัวเหลือเกินหนุ่มน้อยคร่ำครวญ น, น้ำตาไหลพรากลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกนะอติลุงเคยทุกอย่างแสนสาหัสทุกเพราะความจนแต่ลุงก็ไม่เคยร้องไห้แต่เจ็บไข้ดีป่วยยังไง ลุงก็ไม่ร้องไม่เคยมีใครเห็นน้ำตาของลุงลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้จาไว้ผมไม่ได้ร้องครับน้ำตามันไหลออกมาเองคนเจ็บแก้ตัวแต่ถ้าใจเราเข้มแข็งพอน้ำตามันก็ไม่ไหลออกมาที่มันไหลเพราะใจไม่เข้มแข็งบุรุษวัยห้าสิบสอง ตำหนิทางอ้อมหนุ่น้อยใช้หลังมือปาดน้าตาแล้วให้สัญญาว่าผมจะเชื่อคุณลุงต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมให้น้ำตาไหลอีกผมให้สัญญาครับดีแล้วอติลูกผู้ชายต้องมีสัจจะลุงดูโงเ่เฮงแล้วหรือเป็นคนมีบุญวาสนาวันข้างหน้าหรือจะเป็นคนมีชื่อเสียงกองโลกจำคำของลุงไว้ คุณลุงเป็นหมอดูด้วยหรือครับผมนึกว่าเป็นหมอรักษาไข้อย่างเดียวซะอีกนุ่งจเจริญรู้สึกพิศวงก็ไม่เชิงลุงเพียงแต่พูดไปตามลักษณะที่ปรากฏแต่ก็ไม่เห็นพลาดสักทีคนที่ลุงทานายไว้ก็เป็นไปตามที่ทำนายทุกคนแต่ลุงก็ไม่เคยตั้งตัวเป็นหมอดูถ้าอย่างนั้นคุณลุงคงจะให้หวยแม่น เคยมีคนมาขอหวยคุณลุงหรือเปล่าครับเคยมีหลายรายชิวละ่ะแล้วถูกไหมครับลุงไม่เคยให้ใครเลยไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนอกจากไม่ให้แล้วลุงยังสอนเขาอีกสอนเพื่อให้เกิดปัญญาคนจะรวยหรือจนอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่โชคลาบพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า หัวใจเสรษฐีคืออุอากษสะไม่ใช่มานั่งซื้อหวยหมายถึงอะไรครับอุอากษสะที่คุณลุงพูดถึงนะครับหนุ่มน้อยไม่เคยได้ฟังจากยายมาก่อนเป็นคำย่อของธรรมะที่จะนำไปสู่ความมีทรัพย์ได้แก่อุตฐานะสัมปทาอารักขะสัมปทากาลยานามิตตตาและ สมาีิวิตาคนเราถ้ามันหามันเก็บรักษาคบเพื่อนดีมีความเป็นอยู่เหมาะสมก็รวยได้ไม่ต้องไปซื้อหวยลุงยังไม่เคยเห็นใครร่ำรวยจากการเล่นหวยแต่ที่ล่มจมนั้นเห็นมามากต่อมากอาติอย่าเพิ่งคิดดูถูกลุงนะว่าในเมื่อสอนหัวใจเศรษฐีคนอื่นได้ แต่ทำไมลุงถึงจนคนเรามันมีวิบากนะกรรมมีผลมีวิบากลุงอาจทำกรรมไม่ดีมาจึงยากจนค้นแค้นอย่างที่เป็นอยู่แต่ลุงก็มั่นใจว่าวันข้างหน้าลุงจะต้องมีสภาพที่ดีกว่านี้ลุงจะไม่จนตลอดชีวิตอย่างแน่นอนผมก็มั่นใจอย่างนั้นครับคุณลุงเป็นคนใจกว้างโอบอ้อมอารี ขนาดยากจนก็ยังรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันในวันข้างหน้าคุณลุงต้องรวยมหาศาลผมดูโงเ่เฮงไม่เป็นแต่ก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดงั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่ไม่ว่าจะมีหรือจนลุงก็ตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็สอนลูกให้เป็นคนดีสําหรับลุงความดีสําคัญกว่าความร่ํารวย คุณลุงเคยบวชหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าคุณลุงรู้ธรรมะและสอนได้ซาบซึ้งใจมากนุ่มน้อยเปลี่ยนเรื่องถามความเจ็บปวดดูเหมือนคลายลงเมื่อได้สนทนากับสัตบุรุษลุงเคยบวชที่วัดปากน้ำหนึ่งพรรษาเมื่อศึกออกมาจึงได้แต่งงานกับแม่ผันขณะเป็นพระลุงก็ศึกษาธรรมะอย่าง จริงจังแล้วก็เคร่งพระวินัยมากลุงไม่เคยถูกปรับอาบัตเลยแม้จะเป็นอาบัตเล็กๆ น, น้อยๆก็ไม่เคยถ้าพระทุกรูปดีเหมือนคุณลุงผมคงไม่เกลียดพระนะครับนุ่มน้อยเผยความในใจหรือเกลียดพระหรือครับผมเกลียดพระมากเพราะพระ ทำให้ผมต้องเจ็บตัวอยู่บ่อยๆยิ่งครั้งนี้ผมแทบเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวอย่าคิดอย่างนั้นอาติบาปกรรมเปล่าๆหรือต้องแยกให้ออกระวังพระกับโจรปล้นศาสนาเดี๋ยวนี้โจรมีแยะคงเป็นสมุนพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดในกาลครั้งหน้าพวกโจรปล้นศาสนาจะมีมากกว่าพระสิอีก ถ้าลืออายุครบบวชก็ขอให้เป็นพระนะอย่าไปเป็นโจรปล้นศาสนาแต่ลุงดูงโงเ่เฮงแล้วหลือนี่จะต้องบวชไม่ศึกไม่จริงครับผมเกลียดพระผมจะไม่บวชหนุ่มน้อยคานโวราณว่าเกลียดขี้ขี้ตามหรือเกลียดพระจะต้องเป็นพระคำพูดของมุรุดวัยห้าสบสอง ทำให้หนุ่มน้อยนึกถึงพระมหาเพลวเพราะท่านก็เคยพูดอย่างเดียวกันนี้ความขัดแย้งในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอติเลือยขุยจอเลยนะก็ไหนว่าปวดหัวแม่ผันเข้ามาพร้อมถ้วยยาเจ๊ใหญ่ก็ถือลูก ป, ประครบเข้ามาประครบตามรอยฟกช้ำหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บหากก็ต้องทน เพราะถ้าปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาก็จะเสียสัจจะที่ให้ไว้กับบุรุษผู้มีจิตเมตตาประครบเสร็จแม่ผันกับสามีก็ช่วยกันป้อนยาเจ๊ใหญ่ป้อนข้าวต้มเอาอีกสักถ้วยไหมเจ๊ใหญ่ถามเมือเ่อข้าวต้มหมดไปสองถ้วยแล้วหนุ่มน้อยยังไม่อิ่มครั้นเมื่อนึกว่าตนมาเบียดเบียนครอบครัวนี้จึงตอบว่า พอแล้วครับเกี้ยวแขกไปใครมาจะไม่มีให้เขากินไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกน้าถึงเราจะจนแต่ลือก็ไม่ต้องมาเกรงใจด้วยเรื่องนี้เตี๋ยสอนเสมอว่าไม่ให้ห่วงของกินหลวงพ่อวัดปากน้ําสอนเตี๋ยว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มาถ้าเราไม่ห่วงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อย ฉะนั้นหรือไม่ต้องเกรงใจกินให้อิ่มจะได้หายเร็วๆจะได้ไม่ต้องเปลืองข้าเจ๊ใช่ไหมละ่ะผมรู้หรอกนาะหนุ่มน้อยจงใจพูดเย้าแย่เจ๊ใหญ่หรืออยากคิดอย่างนั้นก็ตามใจเรื่องของความคิดมันห้ามกันไม่ได้ว่าแต่ว่าจะเอาเข้าวต้ม อ, อีกสักถ้วยไหมอีกสักสองถ้วยดีกว่าผมกินจุนะเจ๊ เห็นผมๆ อ, อย่างนี้เถอะเจ้ใหญ่เดินไปตักข้าวต้มมาป้อนคนเจ็บอีกสองถ้วยอิ่มข้าวแล้วหนุ่มน้อยรู้สึกสบายขึ้นนึกขอบคุณคนในครอบครัวนี้ที่ช่างดีต่อเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอติลุงไปก่อนนะแล้วจะรีบกลับนายมันบอกคนเจ็บเจ้ใหญ่ครับผมว่าคุณลุงท่านขยันสมกับ ที่ชื่อในมันเลยนะครับหนุ่มน้อยพูดถึงบุรุษผู้ใจดีเมื่อบุรุษนั้นเดินออกไปยังเรือเห็นเจ๊ใหญ่ไม่ตอบว่ากไกรจึงพูดต่อดีนะครับที่ชื่อมันเกิดท่านชื่อมันแล้วก็แย่เลยแย่ยังไงล่ะอติคราวนี้เจ๊ใหญ่อยากรู้ก็ไม่สมชื่อนะสิครับ ชื่อมันแต่ไม่ลูกตั้งเก้าคนใครรู้เข้าก็อายเขาแย่คนเจ็บเฉลออย่างนึกสนุกอติลือชักจะทะเลนแล้วนะอย่าล้อเลียนผู้ใหญ่บาปกรรมเปล่าๆนี่เจ๊ตื่นด้วยความหวังดีนะผมขอโทษครับผมเพียงแต่อยากให้เจ๊ใหญ่คลายเครียดเพราะเห็นทำงานตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดมือเลย คนเจ็บแก้ตัวไกลายๆแต่ถ้าลื้อพูดแบบนี้เจ๊ J. ใหญ่ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกเตียถือมากเรื่องนี้ลูกจะมาต่อล้ะต่อเถียงกับพ่อแม่ไม่ได้เด็กก็เลาะเรียนผู้ใหญ่ไม่ได้จะต้องรู้ว่าใครเป็นใครสาววัยยีเทศนาหนุ่มวัยย่าง18ครับต่อไปนี้ผมจะจําไว้ต้องขอโทษเจ๊ใหญ่อีกครั้งนะครับ ไม่เป็นไรเอาละหรือนอนพักผ่อนได้แล้วเจ๊จะไปทำงานละพูดจบเจ๊ใหญ่จึงลุกขึ้นเก็บถ้วยข้าวต้มไปล้างหนุ่มน้อยนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็หลับเพราะริดไข้หมอจีนวัยห้าสอง ายเรือบรรทุกข้าวเปลือกเต็มลำมาจอดที่หน้าบ้านสามกระไดบ้านดูงเงียบเหงาผิดปกติประตูหน้าบ้านปิดงับไว้เหมือนไม่มีคนอยู่บ้านเขาจึงตะโกนเรียกตรงหัวกระไดคุณหลวงครับคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับไม่มีเสียงตอบจากข้างในเขาจึงตะโกนเสียงดังกว่าเดิมมีคนอยู่หรือเปล่าครับ ผมมีเรื่องสําคัญจะแจ้งให้ทราบไม่มีเสียงตอบเช่นเคยบุรุษวัยกลางคนให้สงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยบ้านออกใหญ่โตอย่างนี้ไม่มีคนอยู่ก็แสดงว่าจะต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นสักอย่างหรือว่าคนในบ้านพากันแยกย้ายออกไปตามหาหล า, านชายคุณหลวงที่หายไปเมื่อวานเขาตั้งคำถามในใจ อันที่จริงเด็กหญิงเหมือนวัย14ปีถูกใช้ให้เฝ้าบ้านเพราะทุกคนพากันไปงานศพคุณสายทิพย์ที่วัดสีหน้าแต่เด็กหญิงวัยรุ่นสาวก็ถือโอกาสแอบไปนอนอย่างท้ายเรือนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหน้าบ้านจึงไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่หน้าหัวกระไดเราควรจะกลับไปก่อนพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยมาใหม่ มาบอกเขาก่อนแล้วจึงจะไปหาแลกขา่าวนายหมันคิดพลางเดินไปที่เรือแล้วพายกลับครั้นผ่านหน้าวัดตโนดเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันวานนึกโกรธเคืองตะโจนเท่าที่มาอาศัยพระาศาสนาหาเลี้ยงปากท้องคนที่คิดฆ่าคนอย่าว่าแต่เป็นพระเลยแม้แต่เป็นคนธรรมดาก็ยังไม่สมกับคำว่าคน เขานึกไปถึงคําสอนของพระพุทธองค์ที่ปรากฏในโอวาทปาติโมผู้ทําร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบันพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่เชื่อว่าเป็นสมณนะนึกสงสารพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นหากเข้ามาช่วยไว้ไม่ทันคงต้องจบชีวิตลงอย่างแน่นอนเพราะเขาฉุดลงเรืออติก็สลบสไลดยไม่ได้สติก็ดีเหมือนกันที่อิสลบไป วิชนั้นก็คงต้องนอนทุรนทุรายอยู่บนกองข้าวเปลือกทั้งเจ็บทั้งคันคงทรมานพิลึกเห็นบิดาพายเรือเข้าลำประดงมาเด็กหญิงสามคนก็วิ่งมารับในมือถือกระบุงโกยคนละใบเพื่อขนข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในช้างและพวกพี่พ ก็จะเอามาตำเป็นข้าวสารเสรก่อนแล้วจึงนำไปหุงหรือต้มอต้อีเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงคนเจ็บคขายัางช่วและละเตียลุกขึ้นไปถ่ายหนักถ่ายเบาได้แล้วเด็กหญิงสุนีตอบแล้วพวกลื้อไปกวนอิวหรือเปล่าเปลารอกเตียมีแต่เจ้าตัวเล็กๆสามตัวนั่น ที่ไปแซวซีให้อีเล่านิทานให้ฟังหล่อนหมายถึงน้องชายสามคนหัวหน้าครอบครัวเดินมาดูคนเจ็บแล้วรู้สึกประทับใจเมื่อเห็นเด็กชายสามคนนั่งล้อมวงฟังนิทานจากหนุ่มน้อยอย่างตั้งอกตั้งใจตาแปว๋วจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของผู้เล่าอพิงลื้อพาน้องมากวนเหียอีทาไมอีไม่สบาย รู้หรือเปล่าคำว่าลูกชายวัยสี่ขวบหากก็ว่าด้วยความเอ็นดูปลากรว น, นเตียพรกเรากำลังฟังเฮียอีเล่านิทานสนุกจังเลยต้นไม้ออกลูกเป็นคนก็มีนเตียเด็กชายบอกบิดาต้นอะไรล่ะอติหรือกกำลังเล่าเรื่องอไรไอยให้พวกเด็กๆฟังเขาถามหนุ่มน้อย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 ก่อนตอบว่าลุงไม่เคยเห็นกับตาหรอกนะแต่ลุงก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะเรื่องนี้มีกล่าวถึงในพระเวสสันดรชาดกลุงศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าพระองค์คงไม่เอาเรื่องเลยวไหลไรสาระมาเล่าให้พระสาวกฟังหรือว่าจริงไหมคงจริงกระมังครับหนุ่มน้อยตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เฮีย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 คนปู่มีบริวารตั้งสิบกว่าคนน่าจะมีอยู่เฝ้าบ้านบ้างหรือว่าเกิดอะไรขึ้นลุงก็ไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้เช้าลุงจะลองไปดูอีกทีจะแวะไปที่บ้านสามกระไดก่อนแล้วจึงจะเอามะพร้าวไปแลกข้าวขอผมไปด้วยคนนะครับผมเป็นห่วงทางโน้นเสียแล้วจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่เขารู้สึกสังหรณ์ใจ หรื อ, อยังไปไม่ได้หรอกอาติบอกช้ำออกอย่างนี้ถ้าเดินทางอาจจะสุดหนักลงไปอีกรออีกสองสามวันค่อยไปลุงจะต้องยาแก้ช้ำในให้กินรอให้แข็งแรงกว่านี้ค่อยไปเชื่อลุงเถอะครับถ้าเช่นนั้นผมก็จะรออีกสักสองสามวันเขารับคำอย่างว่าง่ายเฮ่า yeah, เล่าต่อสิ เด็กชายเพ้งทวงเฮียกำลังคุยกับเตีย๋ยเดี๋ยวค่อยเล่านะหนุ่มน้อยบอกเด็กชายเอาเถอะเอาถอเถอะจะเล่ากันต่อก็เล่าลุงจะไปอาบน้ำอาบท่าละนิ้วตัวจะแย่แล้วว่าแล้วก็เดินไปทางหลังกระท่อมเพื่ออาบน้ำเมื่อกี้เล่าถึงตอนไหนแล้วหนุ่มน้อยถามคนฟงัง ถึงตอนหลวงพ่อช้างทาบารอดให้แขกอ้อมเด็กชายเล็งวัยสามขวบตอบขณะที่ถึงตอนหลวงพ่อช้างถำบาร์ดให้แขกอ้อมเด็กชายเล็งวัยสามขวบตอบขณะที่เด็กชายเม้งวยสองขวบนั่งทำตาปริบๆล้านชายหลวงทาราจึงเล่าต่อแถมสร้างเรื่องให้สนุกตื่นเต้นเกินความจริง เพื่อให้เด็กชายเพลิดเพลินดังนั้นเมื่อเล่าจบเด็กน้อยสามคนก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าเอาอีเอาอี